ท่าประโยคาไว้จรทั้งหลายเวลานี้ท่านนั้นหลายสมาทานไปกรรมฐานแล้วขอได้โปรโ ด, ดตั้งใจสดับคําแนะนําในการเจริญพระกรรมฐานสําหรับคําแนะนําในการเจริญพระกรรมฐานวันนี้ก็จ <c> ะ <oughs> ขอนํามาเรื่องของบุคคลตัวอย่าง เอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพราะว่าคาแนะนำใดๆที่สอนไว้เพื่อมรักผลท่านฟังกันหลายจบแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็จะได้นำเอาเรื่องราวของพระที่ท่านปฏิบัติละเล็กละน้อยแล้วก็ได้เป็นอรหัตผล <c oughs> มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของท่าน เรื่องนี้เป็นเรื่องของพระโพธิการะเนความตามพรมบาลีมีอยู่ว่ามาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร <c oughs> ทรงปราบพระเทระนามว่าโพธิละตัดประธรรมเทสนานีิว่าโยคาเวเป็นต้น <c oughs> ให้กล่าวว่านี่สำหรับพระอานนท์ท่านบอกว่าได้ยินมาแล้วอย่างนี้ว่าพระโพะโธิละนั้นเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกในศาสนาข้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์หมายความว่าเกิดมาในกาลก่อนๆ น, นั้นเคยทรงพระไตรปิฎกมาแล้ว จำพระไตรปิฎกได้มีความเข้าใจในด้านพระปริยัติผ่านศาสนาพระองค์สมเด็จพระสุนทรมาทั้งเจ็ดพระองค์แต่ก็ไม่ได้เป็นพระอารียาเจ้านี่ยสวยจริงๆ <C oughs> เขาเรียกว่าเสียกระดาษนี่มันดาเสียกระดาษไปอย่างนี้คุยรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้แต่กินเลเแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน ไม่สามารถจะทำลายเป็นได้มันเป็นความเลวสามมากสำหรับดวงจิตประเภทนี้เม um ื่อทรงพระไตรีิดกแล้วก็สอนบรรดาปิสุท้งหลายห้าร้อยรูปอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธตํรริว่าีิสุรูปนี้ ไม่มีแม้แต่ความคิดว่าเราจะทำการสลัดออกจากความทุกข์แก่ตนนี่หมายความว่าเธอเรียนและสอนเมาในความรู้แต่ว่าไอความรู้สึกนึกคิดที่ว่าจะทำลายกิเลสให้มันหมดไปนีไ่ไม่เคยคิดองสมเด็จพระธรรมสามิตรีทรงดำริว่าเราจะทำเธอให้เกิดความสลดใจ <c oughs> นับจำเดิมนะั่นแต่นั้นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสแก่พระเทระนั้นว่านั่พระเทระนั้นในเวลาที่พระเทระมาสู่ที่บำรุงบำรุงพระองค์ว่ามาเถิดคุณใบลานเปล่านั่งลงเถิดคุณใบลานเปล่าไปเถิด คุณลัคุณใบลานเปล่าและในเวลาที่พระเถระลุไปก็ตัดว่าคุณใบลานเปล่าไปแล้วพระโรพะโธิละนั้นคิดว่าแหมตัว น, นี้พุออะธญาติแท้สักนิด <c oughs> คำว่าคุณใบลานเปล่าก็หมายความว่ารู้พูดได้เข้าใจดี แต่ว่าจิตยังคลุกคลีไปดูกิเลสใบลานมีพระธรรมแต่ก็ไม่ได้เคยแกะเอาพระธรรมเข้ามาปิดไว้ที่ใจคือหมายความว่าจําได้แต่ว่าไม่ปลดกิเลสเขาเรียกว่าใบลานเปล่าอย่างนี้อย่างพระหรือว่าอย่างอุบาสกอุบาสิกาที่ดูหนังสือรู้หนังสือมากๆเป็นชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นน้นได้ก็ตาม แต่ว่าจิตใจยังโมดสมไม่ได้กินเหล็กเขาเรียกว่าคนใบลานเปล่าจะไม่ดีนะครับที่ผมเรียกว่าเสือกระดาษเวลานี้มีเยอะเ ม, มาไม่ราบยศเสนสุขแต่ว่าที่ท่านมียศทำไมเมาก็มีนะระวังให้ดีอย่าไปนึกว่าท่านที่มียศนําเมาไปหมดบางทียศในใครเขาย่องย่องย่องอามาให้ก็แค่นั่นแหละ ไ้เมายีกแค่ยศมันก็ติดกิเลสแลพูดกันต่อไปว่าพระโพธิละนั้นคิดว่าเราย่อมทรงซึ่งพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอัตถกถาอัตถกถาหมายถึงคำอธิบายพยายามสอนทำแก่บรรดาลวิสุทธิ์ทั้งหลายห้าร้อยรูปถึงสิบปคณะเป็นคณะใหญ่ ไม่ความคณะหนึ่งห้าร้อยรูปสิบปคณะก็เยอะนะปอาจารย์ใหญ่อาจารย์บเรอก็เมื่อเป็นเช่นนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังตัดเรียกเราเนือว่าคุณใบลานเปล่า <c oughs> เว้นอนว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกเราอย่างนี้ก็เพราะความที่เราไม่มีคุณวิเศษ แม้แต่ฌานปฐมฌานเราก็ไม่มีจริงๆถ้าเมื่อท่านำริอย่างนี้แล้วก็เกิดความสังเวชสลดจิตขึ้นมาในใจจิงคิดว่าบัดนี้เราจะเข้าไปสู่ป่าแล้วทำสมณะธรรมแม่นดีจริงๆ ร, รู้ตัวดีมากจึงจะแจงบัตรจีวรเองนั่นแหละ ไม่ใช่ลูกน้องได้ออกไปพร้อมกัดบดยรรดาพิสุที่เรียนทำแล้วออกไปภายหลังที่พิสุทั้งหมดในเวลาวันใกล้หลวงนีไปไม่ถือตัวรู้ตัวง่ายๆอย่างนี้ก็สมเร็จมากผลพอวิสุนั่งสาธยายอยู่ในบริเวณนั่งสวดมนต์ท่องจำที่พระเถระสอนเธอไม่ได้กำหนด ว่าท่านอาจารย์เทระองค์นี้ไปสิ้นสองโยชนแล้วหมายความว่าบรรดาเพลินหลายแล้วนั้นนั่งเรียนเพลินท่องเพลินดูเพลินอ่านเพลิน <c oughs> เรียนกับอาจารย์ได้อาจารย์เปิดไปแล้วใกลถึงทิศสองโยชนโนสิษย์เรียนเพลินอยู่ที่นี่ท่านเข้าไปหาวิสุทธ์สามสิบรูป ที่อยู่ในอาวาสราวป่าแห่งหนึ่งไหว้พระสังฆเถระคือพระผู้ใหญ่แล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงเป็นดีพึ่งแก่กระผมเถิดขอรับความจริงพระที่ท่านไปหาเนี่เป็นพระฤาษ์ของท่านนะท่านสอนให้รู้ปริยัติธรรมไปหมดสำหรับพระสังฆเถระผู้มีอายุ ยิงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุท่านเป็นธรรมกะถึกเป็นผู้สแสดงธรรมสิ่งไรที่ที่ว่าพวกเราได้พึงทราบได้ก็เพราะอาศัยท่านที่เรามีความรู้ขึ้นมาได้เนี่ยเราอาศัยพวกท่านท่านสอนทำไมท่านยังกล่าวว่าขอท่านขอผมเป็นที่พึ่งแล้วก็รับพระโพธิละยิงกล่าวว่าท่านผู้เจริญ ขอท่านจะทำอย่างนั้นเลยขอท่านอย่เป็นที่พึ่งแก่กับผมเถิดความจริงท่านเป็นพระดีมากไม่เมาไม่เมาความรู้เนี่เหมือนพระมาหากบินหรือว่ากปีละพิโุในต่อมาพระเถระเหล่านั้นทั้งหมดหมยกว่าพระทั้งหมดเนรทั้งหมด ที่อยู่ในสำนักนั้นทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นไปขีณาศกคือเป็นพระอราหันต์ทั้งสิน้นลำดับนั้นพระมหาเถระจะได้ส่งพระโพธิละนั้นไปสู่สำนักของอนุเถระคือพระที่มีอวสรองลงไปว่าท่านอาจารย์จะไปหาพระองค์นั้นเป็นที่พึงเถิดที่สุดเ่ที่ ท่านทำอย่างนี้ก็คิดว่าลํำรอว่าพระบิสุรุปนี้ที่มีมานะมากเพราะอาศัยการเรียนการรู้ตามหลักพระปริยัติแท้ถือตัวมากเกินไปจะต้องทำลายมานะให้หมดไปสำหรับพระอนุเทระก็กล่าวกับพระโพธิละว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็โปรดไปหาองค์โน้นเถิด ไปหาองโน้นก็บอกไปหาองนั้นเถิดไปหาองนั้นก็บอกไปหาองโน้นเถิดว่ากัยิงก็แล้วกันเป็นภาษาไทยไทยในที่สุดท่านองท้ายที่สุดก็บอกให้ไปหาเนยอายุเจ็ดขวบถึงเป็นสมณเณรผู้ใหม่กว่าสมณเณรทั้งหมดแต่ก็เป็นอารหารซึ่งนั่งทำกรรมคือการเย็บผ้า ธนนามเนนองเล็กๆเนี่ยกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ในที่พักกลางวันเพราะเทระท่านหลายนำพระมานะของตอนออกได้แล้วก็าโอยบาลีทงก็รออยู่เป็นอันว่าพระโพธิละนั้นหมดมานะทิฏฐิเพราะว่าจะหาที่พึ่งไปะยะได้ที่พึ่งกับโน่นท้ายบาลีน่น เมื่อได้ที่พึ่งก็ไปหาสมณเนรน้อยดูใบแต่หาสมณเนรน้อยไหมความว่าท่านจะหมดมรณนะทิฏฐิได้พระบรรดาพระท่านหลายบอกหน่นโน่ น, อ, นองนุ่น้นแะ่ละท่านสอนท่านได้แม้ว่าบอกไปอง์นุ่นเนะี่ยสอนท่านได้ตัณหาเข้าอาการถือตัวถือ ต, อตนมันก็หมดไปในที่สุดท่านให้ไปหาเนรตัวเล็กๆอายุเจ็ดปี แต่ว่ามีความดีคือเป็นเวขีนาศกกาได้เกิดเป็นอรหันต์ท่านก็เข้าไปพระโพธิรานั้นท่านกล่าวว่ามีมานะอันเทระท่้งหลายนำออกแล้วฟังยุ่งหมายความหมดมานะทิฏฐิยิงเข้าไปแย่คองอัญชลีในสานักโคสมัมมณีแล้วกล่าวว่าท่านสัตว์ปรุษ <c oughs> กล่าวว่าท่านสัตว์วรุหขอท่านยังเป็นที่พึ่งกับผมเถิดนี่ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ไปอาจารย์ใหญ่นะีสอนพระไตรวิฎกสามารถยกมือไหว้สมณเนรได้แลนะท่านผู้ฟังคิดไหมว่าพระผู้ใหญ่ไปไหว้สมณเณรนั่นเนรจะบาปไหมผมก็ตอบว่าแต่ความจริงเวลานั้นนั่นเณรใหญ่กว่าพระองค์นั้น ท่านที่เป็นในอายุเพียงเจ็ดปีท่านได้สำเร็จอราหารันองค์สำเร็จพปะสัมมาสัมพุทธเ จ, จา้าเรียกบุคคลนั้นว่าพระมหาเถระคือว่าเป็นผู้ใหญ่โดยคุณไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่โดยอาศัยที่มีอายุมากคนมีอายุมากแต่ไม่คุณสมไม่มีคุณสมบัติเขาเรียกว่าแก่ฟักแก่แฟนแก่แตงแก่น้ำเตา่า มันไม่มีความหมายอะไรไม่เหมือนแก่มาพราถ้ายิงแก่ยิ่งห้าวมันก็ยิงมันสมหลับสมัสเนเลตัวเล็กๆนั้นท่านเป็นอรหันต์จบยอดถึงจบกิจเทวพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระมหาเทระมอเล่าเรื่องของท่านต่อไปฟังแล้วก็จำให้ดีในีครับนี่เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติสมเนเบอกว่าตายจริงท่านอาจารย์ าอาจารย์มาพูดอะไรอย่างนั้นนะครับท่านเองเป็นคนแก่ท่านเองเป็นผู้รู้เป็นครูบาอาจารย์เขาเหตุไรจึงจะมาทําให้ผมเป็นดีพึ่งของพระคุณเจ้าเลยครับท่านโพธิระจึงได้กล่าวว่าท่านสัตยบรุษอย่าทําอย่างนั้นเลยขอจงเป็นดีพึ่งของผมเถิดครับ ท่านสมัมเนธกล่าวว่าท่านขอรับหากท่านจากเป็นผู้มีความอดทนต่อวาดได้แล้วผมจะเป็นที่พึ่งของท่านเออเอาละสิเ น, นแสดงความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วพระโพธิละยังกล่าวว่าผมทําได้ขอรับท่านสัตยบรุษเมื่อเต่นกล่าวว่าเมื่อสัมเนธกล่าวว่า จงเข้าไปสู่ไฟผมก็จะเข้าประกองไฟเดี่ยวนี้เลยขอรับนะนี่ท่านดีจริงๆนะละมานะทิฐิได้ไม่ถือตัวไม่ถือตนว่าเคยเป็นขณาจารย์ใหญ่ใครๆก็เป็นโุสิตแต่ความจริงท่านพระทั้งหมดนี่ที่เป็นอรหันต์เป็นลโกสิ์ท่านทังนั้นท่านสอนทำให้แล้วก็พระท่านไลยปฏิบัติทําจิตให้ผ่องใสเป็นอรหันต์หมด และอาจารย์ปลายกฎว่ายังเป็นปุตุชนคนหนานแน่นเปดุวิเลศ ท, ที่ต้องคิดนังนกล่าวว่าลำดับนั้นสมัมเณีจึงได้สแสดงสะสะหนึ่งอยู่ที่ไม่ไกลแล้วกล่าวกับท่านว่าท่านขอรับท่านนุ่งห่มตามเดิมนี่แหละจึงไปสู่ในสระคือลงสระให้น้ำมาเปียกลงในน้ำ ทึงกล่าวว่าสมนเนนนั้นก็รู้ความที่อาจารย์ผู้ใหญ่นั้นท่านมีจีวรสองชั้นซึ่งมีราคามากที่พระเทระนั่นงห่มอยู่อยาจะทดลองดูว่าพระเทระจะเป็นผู้อดทนต่อ ว, วาดได้หรือไม่ยังได้กล่าวอย่างนั้น แม้บะเทระก็ลงไปด้วยคำคำเดียวหมายความเนนบอกลงไปในสระในน้ำท่านก็เดินลงไปเลยว่าไรว่าตามกันไม่มีทิฏฐิมานะไม่นึกว่านี่เด็กเล็กๆจะมาเล่นตลกเราว่าการตรงไปตัวมาก็บอกแล้วนี่บอกว่าเอาสั่งอะไรก็เอาสั่งเข้ากองไฟก็แย่เข้าแต่นี่สมนเณรสั่งให้เข้าลงไปในน้ำเรื่องอไรจะไม่ลง ลำหนับนั้นในเวลาที่ชายยีวรเปียกสมณเณรจึงได้เรียกันว่าท่าอาจารย์ขอรับขึ้นมาเถิดขอรับแล้วก็กล่าวกับท่านผู้มาเยืนอยู่ด้วยถ้อยคําคําเดียวนั้นว่าท่านอาจารย์ผู้เจริญในจอมปลวกแห่งหนึ่งนี่ฟังให้ดีนะครับเป็นถ้อยคํำที่สมณเณรที่เป็นพระอรหันต์เทศ เมื่อท่านอาจารย์ผู้จเจริญในจอมปลวกแห่งหนึ่งมีช่องโยหกช่องจะไม่ดีนะครับในช่องทั้งหลายเหล่านั้นเฮียเข้าไปภายในโดยช่องหนึ่งช่องหนึ่งหมายความเฮียจะเข้าไปทางไหนก็ได้ไอหกช่องในเฮียมันคลานเข้าไปได้เสมอเสมอตามใจมันตอนนี้มีบุคคลผู้ประสงค์จะจับเฮีย เขายิงอุดช่องทั้งห้าช่องนั้นเสียเอาไว้เพียงแค่ช่องเดียวแล้วก็ทําลายช่องที่หกนั้นแล้วจึงจับเอาเอาโดยช่องที่มันเข้าไปนั่นแหละนี่หมายความว่าช่องมันมีหกช่องนะอุดห้าช่องมันก็เหลือช่องเดียวสิ เจ้าเฮียมันเข้าไปทางนั้นหรือมันโผล่มาทางนี้ก็หลอปกตีปับ๊บตายปบเสร็จเฮียไม่เหลือเป็นอันว่าเขาก็จับเฮียไปกินได้นี่ท่านเทศเป็นปริศนานะฟังกันห้ดีจำไว้ด้วยคิดไว้ด้วยคิดได้วันนี้เป็นอรหันต์วันนี้ คิดได้พรุ่งนี้เป็นอรหันต์พรุ่งนี้ชาตินี้คิดไม่ได้ชาติหน้ายังไม่เป็นอรหันต์ไม่เห็นมันยากท่านบอกว่าบรรดาทวา น, น้งหกไอ้ช่องที่ที่ปลวกที่มีช่องหกช่องเท่าเปรียบกับทวานทั้งหกทวานางหกมีอะไรมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ ทวารนี่หมายความทวารหนักทวารเบาอยู่ไว้ลอกอย่างนั้นไงไอ้ทวารหนักทวารเบาทวารป่าทวารหูทวารสมบูกณ์มาชัยอย่างนั้นนี่เป็นทวารนั่นคืออายตนะเึงกล่าวว่าบรรดาทวารทั้งหกแม้ท่านจงปิดทวารห้าปิดทวารห้าที่เหลือนั่นแล้วคือหมายความทั้งห้าทวารนี่ปิดมันซะ เปิดมันวารเดียวแล้วจึงเริ่มบริกรรมไม่ในมโนโทวารหมายความปิดตาหูจมูกเิ่นกายทวารห้าเหลือจะทวารใจทวารเดียวแล้วก็มีในประมาณเทา่านี้ความแจ่มแจ้งจะได้มีแก่พิสุเพือเป็นผู้สตร ดูเจตการลุกโพลงขึ้นแห่งดวงวะทีนั้นพระโพธิละนั้นกล่าวว่าท่านสัตว์นสนท่านสัตวุรุษคำมีประมาณเท่า น, นี้นั่นแหละพอแล้วจึงอย่างยานลงในในในในกระชะกายแมอยู่ในร่างกายเยะ้ะ คือว่าทำความรู้สึกใช้ปัญญาพิจารณากายยกตานุสติกรรมฐานเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านจำง่ายนะแล้วก็ปรารธรรมจำได้ไหมครับปิดิวานทั้งห้าเสียเหลือแต่ทวานเดียวเอาจะเหลือแต่มนโนทวาน แล้วกำมโนโทวานนพิจารณากายยาคตานุสติกรมฐานว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาถ้าเราศึกษาในมาหาภฏิปทานนนสวยก็จับจิตตานุปัสสนามาหาภฏิปทานที่เขาดับจับจุดนั้นจุดเดียวแล้วก็ว่าเอยมาถึงกายาเวทนาธรรมมาหมด จับอยู่จุดเดียวเท่านี้กิเลสมันจะอยู่ได้ยังไงกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่กายกิเลสมันอยู่ที่ใจแต่ส่วนมากเราไปปรับปรุงกายแล้วมันจะเกิดผลอะไรแล้วครับฟังต่อไปพระองค์สมเด็จพระจอมไตรประทับอยู่ในที่สุดที่ประมาณร้อยสิบยอด ทอดพระเนตรดูพิสูจน์นั้นแล้วองค์สมเด็จพระระทีรแก้วทรงมีพระพุทธดำ ร, ร, ริว่างพิสูุนนี้จะเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางโดยจะแผ่นดินด้วยบริการใดแลหมายความว่าต้องการให้พระนั้นใช้ปัญญาให้ถูกต้องครอบงมอาการทั้งหมดสามารถทำลายกิเลสให้สิ้นชาติ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงคิดว่าการที่เธอตั้งตนไว้โดยประมาณเท่านั้นนั่นแหละย่อมเป็นการสมควรและจึงทรงเปล่งพระสหมีปหนึ่งจุดว่าประทับอยู่ที่หน้าเธอและจึงแตดเป็นบาตรไปคาถามว่าปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบ ความสิ้นไปแห่งปัญญาเพราะการไม่ประกอบบันิตรู้ทางสองแงแห่งความเจริญและความเสื่อมนั่นแล้วพึงตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะพึงเจริญได้เท่านี้นะพอจบเท่านี้ท่านก็เป็นพระอรหรันต์ตอนนี้มาว่าถึงพวกเราบ้าง ฟังเท่านี้มีความเข้าใจไหมอันดับแรกจงวางความถือตัวถือตอนเสียจงอย่าคิดว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาหรือว่าเราเสมอเขาไม่ต้องการมันทั้งหมดดีกว่าเขาก็ไม่เอาเลวกว่าเขาก็ไม่เอา เสมอเขาก็ไม่เอาเอาอะไรเอาธรรมดาธรรมดาว่าใครจะดีใครจะเลวใครจะเสมอไม่เกี่ยวแล้วอัตนาโจทยาตานังฉันเกี่ยวอย่างเดียวคือล้างกิเลสให้สิ้นชาติไปจากจิตแล้วเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรที่สมณเณสอน ว่าทวานทั้งหกอย่าสนใจมันตาหูจมูกล่งกายไม่เป็นเรื่องมีตาทำตาเมือนตากระทูดูอะไรไม่รู้เรื่องมีหูก็ทำเหมือนหูกะทะไม่ไม่รู้เรื่อ ง, อะะองใครเขาจะว่าอย่างไงใครจะสวยใครจะไม่สวยก็ช่างมันใครจะพูดดีใครจะพูดชั่วก็ช่างมัน ไอ้รินรถมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ช่างมันกินไปยังอัตภาพไปเป็นไปตาหูนะจมกูกกลิ่นมันจะหอมหรือมันจะเหม็นก็ช่างมันไม่สนใจกายจะสัมผัสกับที่นั่งทินนอนนิ่มนอนโดยการใดสัมผัสกันเนื้อของใครไปยังไงก็ช่างมัน ไม่สนใจถ e SI ือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอนิจจังไม่มีอะไรทรงตัวถ้าเราไปยึดไปถือมันเข้าก็เป็นทุกขังแล้วในที่สุดมันก็สลายตัวจะเกิดประโยชน์อะไรกับการที่จะสนใจสิ่งที่มาจากตาเห็นจากตาได้ยินจากหูกลิ่นมากระทบจมูก รถกระทบลิงกายสัมผัสก็ไอ้ ก, กายนี่มันเป็นเรื่องพังพังทางนั้นว่าถูต่าต่างๆที่เห็นได้ตามมันก็พังเสียงได้ยินในหูมันก็พังมันหายไปกลิ่นกระทบจ ม, มูกแล้วก็พังมันหายไปลิงกระทบรถหน่อยหนึ่งรถเดี๋ยวเดียวคลืนแล้วรถก็หายไป กายสัมผัสกายไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เรามารักษากําลังใจของเราให้มีความสุขเพือไม่ยึดถือรูปด้วยไม่ยึดถือเสียงด้วยไม่ยึดถือกลิ่นด้วยไม่ยึดถือรสด้วยไม่ยึดถือสัมผัสด้วยจิตใจช่วยคิดว่าร่างกายนี้จะสลายตัวก็เมื่อไหร่ก็ช่าง าะเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเรายังมีร่างกายอยู่เราจะหาความสุขอะไรไม่ได้ฉะนั้นเรากับร่างกายนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ใช่สหายที่รักเราถือว่าร่างกายเป็นศัตรูตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมครูเพียงเท่านี้และบรรดาท่านทั้งหลายอยู่ที่ไหนท่านก็เป็นพระอรหรันต์ อยู่ในบ้านในเมืองก็เป็นอารหันต์อยู่ในป่าชา้าป่าช้าก็เป็นอารหันต์จะอยู่ในตุม่มในโพรงไม้อะไรก็เป็นอารหันต์อรบรนดาท่านประโยชนคารวะจรทุกท่าน <c oughs> <c oughs> เว้นอนว่าคำแนะนำในวันนี้ยกบุคคลขึ้นมาเป็นตัวอย่างเพื่อว่าท่านหลายชอบใจธรรมะอย่างนี้ก็นำไปประพฤติปฏิบัติ เห็นไหมว่าสมัยองค์สมเด็จพระทรงสสเสต็์ในเขาฟังกันไม่มากเขาเป็นแช่ปัญญาเป็นเครื่องคิด <c oughs> <c oughs> เขายังพายกันจบกิจพระพุทธศาสนาได้โดยง่ายสำหรับเวลานี้มองดูแล้วเลยไปนิดหนึ่งก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อ น, นี้ไปขอทน่านหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่น ใช้ปัญญาพิจรารณาใข้คนตามอัตยาสายยิ่งกว่าเห็นว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่สมควรสวัสดี